หรือกระทั่งหันมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทุกศาสนาไปเลยจุดเปลี่ยนของความเชื่อของคนเรามาเกิดขึ้นเมื่อประสบวิกฤตหรือเรื่องเลวร้ายซ้ำซากยากจะเยียวยาจิตใจที่ท้ายคำถามคือทำใจให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอดนั้นเป็นส่วนที่ผมเติมเข้าไปในคำถามเดิมนะครับเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้น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 หรือถูกกระทําต่างๆนานาเสมอหายากครับที่จับสองคนหรือมากกว่านั้นมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกฝ่ายแฮปปี้ทั่วหน้าต่างฝ่ายต่างผูกสมัครรักใกล้กลมเกลียวไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครทำตัวใหญ่กว่าใครมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอยู่ด้วยความปรองดองแต่ก็มีจริงนะครับชีวิตในอุดมคติแบบนั้นแต่หายากหาเย็นเหลือเกิน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 ผู้เป็นฝ่ายลงมือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคนอื่นเป็นนิดนั้นย่อมมีเงาเมื่อติดตามตัวไปเห็นได้จากชาติปัจจุบันว่าหน้าตาคร่ำเคร่งมีความไม่น่ารักไม่น่าใกล้ชิดไม่น่าคุยด้วยนานนักนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันทันตาไม่ต้องข้ามพบข้ามชาติไปไหนถึงแม้บุญเก่าจะบรรดาให้เขาสวยหล่อเพียงใดเปลือกนอกที่ห่อหุ้มไว้นั้น ก็ไม่อาจาช่วยพยุงได้นานเลยกระแสความหน้าชิงชังจากภายในจะคล้ายหนามแหลมแนาระคายที่ปุดยื่นออกมาก็หนอขึ้นทุกวันจนในที่สุดเมื่อน้ำเลี้ยงแห่งบุญเก่าหมดเขาจะเหลือแต่ความสุดโทมเป็นที่ปรากฏชัดอีกประการหนึ่งในที่สุดวิบากกรรมจะกดหัวเขาลงไปอยู่เบื้องล่าง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 สำหรับหลายคนที่จำต้องทนสวยทุกข์ยังไม่อาจหลีกเลี่ยงนั้นน่าเห็นใจครับไม่มีคำแนะนำชนิดเสกปิ้งเดียวทุกสิ่งที่เลวร้ายหายวับไปกับตาคงต้องนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทดลองคือให้โตตอบคนพูดร้ายด้วยการพูดดีให้โตตอบคนไร้ศีลด้วยศีลสัตด้วยการทำเช่นนี้ประการแรก เราได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างขันติบารมีประการที่สองเราได้ชื่อว่าใช้กรรมชั่วเกา่าโดยไม่สร้างกรรมชั่วขึ้นใหม่ประการที่สามเราได้ชื่อว่าเป็นของจริงเป็นตัวอย่างให้คนชั่วเห็นว่าโลกนี้ยังเป็นคนดีกันได้แม้ถูกร้อยเยาะหรือถากถางว่างโง่แค่ไหนข้อสุดท้ายนี้ ถ้าเราสั่งสมบารมีจนเกิดพลังมากพอก็สามารถอาศัยอธิษฐานโดยอ้างเป็นสัจจะได้เช่นเราโต้ตอบคนนีวาจาชั่วร้ายด้วยวาจาดีงามมากรบสามเดือนซึ่งเป็นกรรมอันคนทั่วไปทำได้ยากขอสัจจะความจริงนี้จงทำให้เขาสำนึกผิดและกลับใจมารู้สึกดีพูดกับเราดีขึ้นด้วยเถิดโลกเรา